ขอความสุขความเจริญมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเียงทำจากมาวิทายาลัยศรีปัุมในวันนี้คงพูดเรื่องพระพุทธธรรมรัสที่พระเจ้าจัดคารพบท่านจุรปันฑุกก็สองสามกรณีได้กันวันก่อนได้พูดถึงตอนที่พระเจ้าเสด็จมาในที่ประชุม ของพระแล้วก็ทรงเปร่งพระสุระเสียงดุดเสียงพรมเรียกว่าพรมสโรคือในพระบาลีท่านเล่าเลยว่าเสียงพรมเนี่ยมีลักษณะแปประการด้วยกันก็หมายความว่าพระสุระเสียงของพระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างนี้แล้ก็ทำให้คนที่มาฟังเทศ ของพระพุทธเจ้าจะสามารถดูดคนไว้ได้ทั้งสี่พวกคือพวกที่พอใจติดใจในรูปของพระองค์สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลลักษณะสามสองประการก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ติดอยู่ในทุกพระเทร า, บบางรูปเช่นพระวัตลิมก็ติดในพระรูปของพระองค์ การที่สองพวกโคศปประมาณิกาคือจิตใจในเสียงปใจจัยใส่ใจอยู่ในเสียงที่ได้สดับพู้เจ้าก็มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรมทีส่สามารถเร่งผู้ฟังให้เกิดพอใจใ จ, ใจิตใจใส่ใใจและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าออทั้งรูปทั้งเสียงเนี่ย ของพระพุทธเจ้าคือผู้ฟังแต่ละคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคุยกับเขาหรือรับสั่งกับเขาทนุปมาว่าเหมือนกับดวงจันทร์ตอนเที่ยงคืนหรือคนแต่ละคนในโลกมีความรู้สึกว่าดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะตัวเองวันพระธรรมเทศนาของพระพเจ้าจึงมีผลมี หน่วยประโยชน์สุ่แก่คนได้เป็นจำนวนมากในแต่ละคราวแต่ละคราวและธรรมะประมาณิกาคนที่สนใจในธรรมะนั้นก็แน่นอนว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์สามารถทำหนวนประโยชน์แก่ผู้ฟังได้ในระดับนั้นๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือความเรียบง่ายความสมถะเรียบง่ายงพรมพุทธกา เลึกดูว่ามันก็คล้ายๆกับพระที่นุ่งห่มในปัจจุบันแต่ว่าของพระพุทธเจ้าไม่มีอังสะในสมัยนั้นจริงอังสะคนก็ไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ในจีวจรและเป็นการตัวแต่งตัวแบบเรียบง่ายแต่สิ่งที่เราเห็นจริงๆก็คือจีวรที่คลุมพระวรากายพวกสมบุกับ สบงก็ไม่เห็นนะฮะกราสรุปว่าผ้าสองผืนในสมัยนั้นในการต่อมาที่เพิ่มผ้าสังกติขึ้นก็เป็นการเพิ่มเพื่อกแก้หนาวถ้ เ, เรียกว่าเป็นผ้าซ้อนข้างนอกมีลักษณะคล้ายๆกับน่าจะเป็นการคลุมที่ไหลอย่างวัฒนธรรมอินเดียเราจะเห็นว่าคนอินเดียจะมีผ้าคลุมที่ไหล และพวกนักบวชเราก็มีภาคธุที่หละเพราะมันมีวินัยอีกข้อหนึน่งนะว่าห้ามนั่งทับผ้าสังกติภายในบ้านคือถ้าเอาซ้อนห่มเข้าบ้านเนี่ยมันก็ต้องนั่งทับซึ่งมันก็ผิดวินัยประเทศไทยเราพระเอามาพาาบาบ้าก็คงจะมีปัญหาว่าถ้าเราซ้อนเข้าไปเนี่ยห่มยากมาก หนาคือจนมวนไม่ไหวแล้วก็คือหงสมก็ร้อนเพราะว่าเบืองเรามันร้อนทีนี้เสียงที่เป็นประดุตเสียงพรมในที่จริงก็ปรากฏในทีกัิกายมาวัตทีกัิกายนะคได้แสดงว่าประการแรกคือวิสัตโถแปลว่าแจม่มใสวิน ย, ยโยแปลว่าชัดถ้อยชัดคำ คือตามที่ท่านบอกไว้นี่ว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งเร็วมากเร็วกว่าพระอา น, นุนพระอ น, น, นุนในพูดเร็วกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้ารับสั่งเร็วกว่าพระอา น, น, น, นุนเลยแต่ว่าคนฟังแล้วก็ชัดถ้อยชัดคําทุกคําเนี่ยมันชัดถ้อยชัดคําตญาติโยมที่เป็นผู้หญิงคงไม่เคยได้ยินพระสวดปาฏิโมกนะะ แต่ว่าผู้ชายที่เคยผ่านการบทเรียนมาคงได้ยินพระสวดปฏิโมกคือจะสวดเร็วสมัยมาสวดเนี่ยเคยสวดวันหนึ่งเร็วมากต้องทุกเตือนเป็นสวดรู้สึกแค่37นาทีตาปกติก็จะให้สวด45นาทีเราสวดเร็วไปแล้วก็ออกไป37นาทีก็ต้องเตือนให้ใหช้าลง เวื่าจะสวดอยู่แถวสี่สี่สิห้าเนี่ยแปลว่าชัดนะฮะต้องชัดต้องชัดท้อยชัดคำมีการฝึกมีการซ้อมกันนะฮะก่าจะสวดเววดี๋ยวก็สวดได้เฉพาะพวกหนุ่มๆถ้าแก่มากต่อมากก็ไม่ไหวมันเนยลยประการต่อไปคือมันชูแปลว่ากรอมหวานกลอมใจหรือว่ากลมกล่อมก็ได้ สวนิโยคือสนอโสดสบายหูระดับเสียงพอดีไม่เบาไม่หนักไม่เบาเรียกว่าพอดีฟังแล้วก็สบายหูแล้วก็พินพุกมีลักษณะมันก็หยาดหยดลงมาอย่างต่อเนื่องฟังมีความต่อเนื่องกันตลอดถ้าเราลองสวดพระสูตรดูนะครับ คือวันก่อนนี่มีคนเอาการแผ่เมตตาเป็นอนปรญญาที่สวดโดยโด ย, โดยพมา่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้หญิงสวดสวดไปรอบมากแต่เมตตานี่แหละแล้วแผ่วิธีแผ่วิธีสวดก็ไปรอบมากเพราะฉั้นเวลาพสูดถ้าเราสวด คือพระแม่นเลาก็สวดต่อเนื่องจะฟังสบายว่าธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นจะมีลักษณะหยดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็วิสาลีคือไม่เครือไม่พร่าไม่แหบแล้วก็ลึกลคล้ายๆก็ออกมาจากจากตะอุระคือเสียงเสียงในลักษณะ น, นี้เราจะเห็นว่ามีคนน้อยเนะ่ยเสียงที่ลึกเนี่ย ถ้าใครมีเสียงระดับนี้อยู่เวลานี้ก็รู้สึกจะมีอยู่คนหนึ่งชื่ อ, อไอ้อำรุงกสิยการนนสมัยก่อนกุมประชาสัมพันธ์ก็มีนายแม่ น, นฉลาดนุเคราะห์เสียงที่ลึกลึกลงไปตรนี้ก็เรียกว่ามีเสียงเป็นทรัพย์จะสามารถจะพูดจะบรรยายเรื่องราวต่างๆแล้วก็น่าฟัง ประการต่อไปก็คือมีกังวานเสียงจะกก้องก็อันนีเน้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษนะฮะมหาบุรุษที่ประกอบด้วยมหาปริศลลักษณะเนข้อหนึ่งเขาบอกว่าพร ม, มัสระ ค, คือมีเสียงดุดเสียงพรมก็วันก่อนมาถึงประเด็นหนึ่งที่ตอนพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐี พระโพิสัตระริษัทเป็นเศรษฐีแล้วก็จุลปันถกเป็นลูกน้องเป็นคนรับใชนะ้เนี่ยคือถ้าแปลตามสามคำที่เขาเรียกเนี่ยจุลกันเตวาสิกเพราะว่าเด็กภายในบ้านของท่านเศรษฐีคือจุลเนี่ยที่จริงเป็นชื่อของเศรษฐี แสดงว่าเป็นเด็กภายในบ้านอาจจะเป็นคนรับใช้ช่วเหลือเลกก็กน้อยคงจะไม่รับใช้อะไรมากๆอ่กติดตามไปในที่ต่งางๆจะสามารถตั้งตัวได้ด้วยเงินที่ขายหนูตายไปขายให้เจ้าของแมวแล้วก็มีความคิดพิแพรณงไปตลอดระยะเวลาแล้วก็ฉกฉวยโอกาส ในแต่และจังหวะในแต่และช่วงเนี่ยคือมองอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยเห็นว่าพายุเกิดพัดมาอย่างแรงทําให้กิ่งไม้ต่างๆนี่หักค่นทลายลงมาแกไปอาสาอาสาขอกิ่งไม้ที่หักคน่นแกตัดแล้วไปขายเอาก็มีคนเลี้ยงมา้ามาแกไปกว้านซื้อ หญ้าสิดเขาตัดเนี่ยเอามาขายาลไม้หมายความว่าไปจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดตัวความคิดเร็วในตอนเนี้พระพุทธเจ้าทรงประรบว่าทรงเปล่งเป็นพระพุทธธรรัะว่าผู้มีปีชาเห็นประจักรย่อมตั้งตนด้วยทุนทรัพย์แม้น้อยบางคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ ตรงนี้ไม่ได้มหมายความเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง, ง, ง, งแต่ว่าถึงการยกตัวอย่างว่าในกรณีของคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญามีการมองที่ส่งแสดงถึงคุณสมบัติของพ่อค้าว่าจะคูุมาคือต้องมีดวงตาที่มีมองไปไกลแล้วก็มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณยวิตโรโ แล้วก็วิศเศยสำปนโอคือมีคนส่งเสริมสนับสนุนมีเครดิตเป็นธนาคารให้กู้อะไรต่างๆสามารถที่จะตั้งตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วเพราะเมื่อมาถึงการเรียนการศึกษาธรรมะอะไรต่างๆก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ใช้ปัญญาเป็นหลักคนบางคนก็ ได้จังหวะเหมาะพอดีขึ้นมาก็จะตั้งตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ ว, เ, รวเคยพบเด็กคนหนึ่งแกก็เริ่มต้นมาจากมาจากอะไรินตานะ่ต้นตานะ่ะก็ทำน้ำตาลก่อนแล้วก็ตายอันดับมาเรื่อยจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสร้างโรงสีเล็กๆ ก็สีค้าประกาศว่าคนคนไม่ซื้อแต่กระยญาติพี่น้องก็สนับสนุนเงินก็ข้าวสารก็กองเลยที่บ้านมาา้าวสารขายไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งมันเกิดวาตภัยขึ้นจะขายข้าวสารนี่มันราคาเพิ่มขึ้นมืรูละกี่เท่าตัวก็รวยไปเลยนะแต่รู้สึกว่าจะ อเทียมไปหน่อยเพราะว่าไปฉกสวยโอกาสในนักานันอย่างเงีน้นี่ก็เปแสดงให้เห็นว่าคนเราต้องรู้จักมีไหวพริบมีวิธิพานมีความเฉลียวฉลาดรู้จักในการบริหารการจัด ก, การต่างๆในแต่ละเรื่องคือไม่ใช่เฉพาะเจาะจงการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวทีนี้ในอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่อง ที่พระเจ้าทรงประรบถึงการที่พระจุลปันธุคือพระท่านมาคุยกันคุยกันต่อนะฮะคือเรื่องเรื่องเนี้ยมันก็มีเรื่องคุยต่อมันก็ไปโยงกันไปเรื่อยเลยฉันบอกอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุพระจุลปันถกแม้ไม่สามารถจะเรียนคาถาสี่บทโดยสี่เดือนได้ ก็ไม่สละความเพียรตั้งอยู่ในรหัสแล้วบัดนี้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตตรธรรมแล้วคือหลักการสำคัญเนี่ยว่าผลทั้งหลายมันเกิดมาจากความเพียรพยายามแต่ว่าเพียรพยายามมันถึงจุดหรือไม่เรียกทำดีถึงดีหรือไม่เนะ่ยคือเราอยากจะทำดีได้ดีมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งที่เคยสังเกต คือถามว่าเรียกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นก็แจ้งกลับมาทําคุณคนไม่ขึ้นบอกว่ามันไม่ใช่หรอกที่จริงแล้วเราไปเล็งผลเลิศแบบแทงหวยมากเดินไปที่จริงการสงเคราะห์การอนุเคราะห์คนอื่นการช่วยเหลือคือกุล ค, คนอื่นมันจบที่เราสงเคราะห์เขาแล้วภารกิจของเราจบเท่านั้น ผลจะมันจะเกิดหรือไม่เกิดเขาจะกัตันอยู่หรือไม่กัตันอยู่เขาจะทดแทนหรือไม่ทดแทนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะถ้าสมมติว่าเขากตันอยู่เขาทดแทนก็เป็นการทำความดีของเขาคือเขาก็เราก็ทำเขาเรียกเราก็เป็นบุปการีก็จบแล้วภารกิจของบุปการี ถ้าเขาตอบแทนเขาก็เป็นกัตัญญูกตเวทีก็เป็นความดีส่วนตัวของเขาคือไม่ใช่เราคิดแบบตกเบ็ดแต่ทาความดีอะไรก็หวังผลตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันเกินเหตุที่เราลงทุนในลักษณะแทงหวยนั่นแหละคือคิดแบบแทงหวย เ, เขาเรียกว่าทำดีได้ดีเนะี่ยทำดีได้ทำดีทำดีได้เป็นคนดี ทำดีได้มีความดีที่อยู่ภายในใจเวลาเราได้ผลประโยชน์ต่างๆโดยการบรรดาแห่งบุญที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องของบุญที่เราทําไม่ใช่เป็นเรื่องการตรอบแทนของบุคคลอื่นการตอบแทนของบุคคลอื่นสมมติว่าเขาตอบแทนเนี่ยในขณะนั้นเขาก็เป็นบุปการีของเรา เราก็ต้องสำนึกคุณของเขาคือต้องตอบแทนแต่ถ้าเราทำ ก, จก็จบที่การสรงเคราะห์เขาก็คือว่าจบ ก, กันแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรนะั่นก็เป็นเรื่องของเขาคือเป็นสิทธิของเขาบางทีเราก็เอาอะไรมาคิดมากไปเช่นสมมติปะตักบาดแล้วเอพระจะฉันหรือเปล่า สงสัยว่าอาหารเราแม่ร่อยอาหารเราไม่ดีพระคุณไม่ฉันคือไมนยุ่งนะฮะื อ, อาหารเรื่องยุ่งเฉยๆเราจบที่เราถวายนเะราจบแล้วภารกิจเราเสร็จแล้วถ้าต่อไปจะกวดน้ําก็อะไรก็กวดไปบุญกุศลนั้นถูกเก็บไว้ภายในใจเรารอโอกาสที่จะดลบรรดาลที่จะประสิทธิ์ประสานให้มันจะเร็วหริอชาก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่องค์ประกอบตรงนี้ องค์ประกอบที่คุณสมบัติของผู้รับแล้วก็สิ่งที่เรานํามาบริจาคเจตนาในการบริจาคทั้งการในการทั้งสามคือก่อนให้ขณะให้หลังจากให้แล้วก็ถ้าผู้รับเนี่ยท่านเป็นผู้ออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆอันนี้จะเร็วนะแต่ว่าก็หายากนะมาเจอยาก โดยในสมัยพุทธกาลก็มีประมาณห้าหรือหกห้าหรือหกท่านดั่งนั้นเด็กทางที่พระเจ้าก็ทรงบัญชินอยู่พระอระหันต์ทั้งหลายก็มีอยู่เป็นนันมากแต่ว่าจังหวะที่มันได้หมดเี่ยองค์ประกอบต่างๆมันได้หมดมันจะยากมากเรียกพอดีอะจะได้จังหวะพอดีเนี่ยจะหาได้ยากผนการทําความดีก็จบที่เราได้ทําความดี ทีนี้เมื่อเราทำความดีเนี่ยเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าไปทอดถอยเราพบการใช้ความคำความหมายของคำว่าความเพียรที่ทรงใช้ในโอกาสแตกต่างกันอย่างแนวอปันกะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดนทรงใช้คำว่าชากุริยานุโยกแปลว่ามีการประกอบความเพียรในลักษณะ เป็นผู้ตื่นคือตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาแม้ความไม่ใจโปรง่งด้วยสติสติเป็นธรรมะที่ทําให้ตื่นบนความเพียรอย่างต้องมีสติและอาจารย์ผู้ฟังลองสังเกตว่ากลุ่มธรรมก็พวกนี้อยู่ในกิตติกขาด้วยกันสติก็คือสมมาสติความเพียรก็คือสมายายมาวยามา สมาธมาินั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ความเพียรในการเจริญสติตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะสองข้อในเป็นเหตุอีกข้อหนึ่งก็เป็นผลแต่ว่าในขณะที่เราทำในจิตเราก็ต้องนิ่งหมายความก็มีสมาธิอ่อนดยประการต่อไปนั้น ทรงใช้คําคบางครั้งถ้าเป็นบําเพ็ญเพียรทางจิตนะเช่นจเจริญสมถะวิปนะัสสนาเนี่ยจงทรงทรงใช้คำว่าอาตาปะนะลองสังเกตว่าพระบรมราชโองวาดิทรงใช้คำว่าตาปะเขาไปรูความเพียรด้วยกันแต่อาตาปะแปลว่าความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตมีความต่อเนื่องแล้วก็อย่างแรงกล้าไม่ทอดทิ้งธุระเในระหว่าง บางครั้งทรงอุปมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมว่าเหมือนกับผ่านไถ่คือถ้าเทียบปัจจุบันก็เหมือนกับรถแท็กเตอร์นะเราจะเห็นว่าลุยไปข้างหน้าตลอดปัญหาประสักอะไรต่างๆเราจะเกิดขึ้นก็ลุยไปข้างหน้าบางครั้งทรงใช้คำว่าอารัฐะวิริโยวิหารติคืออยู่ด้วยความเพียรพยายามทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งทางกายและก็ทางจิตก็มีความต่อเนื่อง พักผ่อหลับนอนเท่าชี่เป็นความต้องการของร่างกายบางครั้งก็บากบันใช้คาว่าปรักกระมะบากบันบางครั้งก็ใช้คมะดันหะประกักกระมะบากบันอย่างอุจิงโอจั ง, จงบางครั้งได้ใช้กรรมอุทนะแปล ว, ว่าความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานรือใช้คาเยอะบิริยะส ม, มาวายามะอะไรต่างๆจะสรุปว่า ไม่ต้องไม่ทอดทิ้งความเพียรเหมือนจะลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าหรือเจ้าก็เป็นต้นแบบนะคือถ้าเราไปดูที่พระสูตรทึงทรงแสดงแก่ภาษารีบุตรในมหาสีนาทศโอ้โหพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญเพียรมหาศาลเลยคืออ่านแล้วเราเราตกใจอะเราสงสารพระพุทธเจ้า าโอทรามานวพราวรกายขนาดนี้เฉย้เรียกว่าทำทุกอย่างที่ทรงเข้าพระทัยว่าน่าจะเป็นทางให้พระองค์ตรัสรู้ได้คือเราอ่านพอเราอ่านประสูตรเนนะอ่านพระสูตรไปอ่านไปอ่านไปแล้วต้องหยุดนะคือรู้สึกสงสารพระพุทธเจ้ากว่าจะค้นพบพระสัตว์ธรรมมาเผยแพ่แก่โลกนี่ไง ก็เรียกว่าปางตายทีเดียวเพราะนที่ปรากฏในหนังสือพุทธวจนที่เราอ่านว่ามีการพระมาณโภรกายสามาระที่จริงมันเป็นสรุปนะครับตอนนั้นสรุปแต่ที่ตอนรับสั่งเล่านี่มีเยอะมากๆ ก, ก็เรียกว่าวัดปฏิบัติที่มีอยู่ในยุคสมัยนั้นของลัทธินิกายใดก็ตามนะพระเจ้าเคยทดลองแล้วท่าน ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็แสดงว่าต้องทดลองถึงที่สุดนแล้วประเด็นมันจะบีบข้าบีบข้าบีบขาวเหมือนคล้ายๆกับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเราตั้งไว้ประเด็นเดียวเนี่ยแล้วในสุดก็พิสูจน์ประเด็นเดียวมันมันไม่ได้ก็ยังนึกถึงถึงในปัจจุบันคือเราอ่านหนังสือพิมเบนี่พูดพูดคล้ายๆแกัว่า เรารู้ใครเป็นใครไปหมดแล้วนะที่จริงจนเดี๋ยวนี้นะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ภาคใตนะ้เราเราไม่มีคำตอบอยู่สองคำนะใครเพื่ออะไรแล้วถามว่าทาอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรทำเมื่ อ, อไรทำแกใครอะไรตอบได้หมดเลยแล้วมีความเสียหายยังไงเนี่ยตอบได้หมดเพราะว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผู้ที่สั่งการอยู่เบื้องหลังผู้นายทุนใหญ่ที่จ่ายเงินในแต่ละคราวเนี่ยมันคือใครแล้วก็ไม่รู้นะทีนี้เมื่อไม่รู้เนี่ยมันมันไปพูดอะไรไม่ได้หรอกมันต้องหาตัวนั้นาได้ก่อนถ้าไม่ได้เราไปเรียกร้องอย่าใช้วิธีรุนแรงมันรุนแรงอะไรยังไม่รู้ว่าใครเลย เมื่อต้องหายเจอก่อนแล้วก็เดินดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่มีความชัดเจนเ น, นะครพทำไมงานมันก็สร้างปัญหาต่อไปนั้นความเพียรเรื่องนี้มันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าจึงส่งใช้คำว่าวายาเมเทวะปุริสุยาวะอัตตสานิปดา บุรุษควรภาคเพียรพยายามไปจนกว่าจะสเ็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการแล้วก็ส่งรับรองผลไ ว, ว้ว่าเวรีนั่นดุกมัิเจติควรลุมคุกไปได้เพราะความเพียรและลการท่องคาถาสีบรรทัดของพระจุลปันธร์นี่จริงท่านท่องตลอดนะนะเพราะพิชายบังค้าไปท่องก็ท่องมันจำไม่ได้ก็คือจำไม่ได้ แต่ว่าไม่ได้ทอดทิ้งความพยายามในการท่องหรือพยายามที่จำอยู่หรือมันจำไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ทิ้งกันตั้งสี่เดือนทั้งก็ท่องเพราะงั้นเราเห็นอย่างหนึ่งลักษณะเด่นเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าสุวัจโจโศวัจจสตาเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายถ้นลองสังเกตนิสัยนะฮะนิสัยของท่านในตอนเป็นจุรเตวันสี คือคือเป็นคนใช้ของท่านหลวเศรษฐีเนี่ยเศษฐีก็บอกเป็นในยะว่าผู้ฉลาดเนี่ยจะสามารถตั้งตัวเองได้ด้วยต้นทุนจากเงินที่ขายหนูยจากหนูตัวเนี้ยหนูตายแต่เด็้ท่านทำเลยฮะไปเลยเชื่อมั่นในในในเจ้านายทีนี้ตอนเป็น ไปเรียนที่ที่สาปาโมกมาแจ้งสั่งอย่างไงทําอย่างนั้นนลยเราท่องนาะท่องตลอดนาะนึกเมื่อไรต้องท่องนะอาวุธเตสิกเตสิกินกรนาคาเตสิอ่างปิตังชานามิชานามิจะกินข้าวจะอาบน้ํานอนหลับตื่นขึ้ น, นมาจะทําอะไร ก, ไก็ไม่รู้ก็ท่องเรนะื่อยๆโดยไม่รู้เป้าหมายอะไรเลยทำไปแล้วท่านก็เชื่อแล้วก็ พอมาถึงจุดที่พี่ชายบอกให้ท่องคาถาแล้วก็ท่องเห็นนหมว่าอนิสัยสันดานคนเนี่ยมันติดมาผ่านพบชาติมา น, นิสัยแบบเดิมเลย ก, ลกลารประเพนนื่อมธาตุนิสัยแบบเดิมเลยถ้าไม่เราเห็นว่าไอนน้สังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าทำอะไรไปแล้วก็ผ่านพ้นเลยไปไม่ใช่เลย แล้มันจะอยู่กับเราทั้งดีทั้งไม่ดีเพราะนั้นพอพระเจ้ารับสั่งให้บริกรรมผ้าขาวนั่นก็บริกรรมไม่รู้ทิศทางอะไรหรอกแต่พระเจ้ารับสั่งถื อ, อเอาผ้าขาวนี่ยนะบริกรรมมรเชวร์นังรลชวรนังก็แปลว่าภาพาเพื่อนทุลีภาพเพื่อนทุดีพอท่านเกิดเห็นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นร่างกายเป็นของสกปรกน่าเกลียด ปเปื้อนด้วยเหงื่อใครต่างๆทําให้ผ้าขาวสะอาดเปื้อนพุทธเจ้าก็ให้ดูธุลีใหม่ธุลีคือราคะธุลีคือโทสะธุลีคือโมหะท่านก็ดู ด, ด, นะดาาูแล้วก็ส่งต่อพุทธเจ้าแสดงนําจิตนะนําจิตคนงท่านท่านก็พิจารณาตามหลักนลุมพุทเป็นประการเมื่อเหตุการณ์ตัวนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กลายกล า, ายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมา คือยานที่บอกว่าเวลาพระคุยเกิดมีปัญหาเกิดสะ ด, ดุดเกิดนอกเรื่องเกิดไม่เข้าใจพระยาจะเสด็จพระทรงกำหนดพระไถยฟังนะพระที่คุยกันอยู่เนี้ยเพราะงั้นคนอยู่ในสานักพระพุทธเจ้าเนะี่ยก็น่ากลัวนะฮะถ้าควบคุมจิตไม่ดีแล้วน่ากลัวบางทีพระตั้งก็ลืม ในคราวหนึ่งรู้สึกเจอ ท, ที่บุพพารามนะปราสาทขนางวิาาสาขาปราสาทเนี่ยมันมีตั้งทัเจ็ดั้นนะคนอยู่ได้เป็นพันกันแล้วกันนะเรานึกว่าโรงแรมขนาดอยู่คนเป็นพันเนี่ยมันใหญ่มากๆนะวันปราสาทที่นางวิสาขาสร้างเนี่ยใหญ่มากอยู่พระเป็นพันพระคึกขนองกันคุยกันขรมงโฉงเฉงรั้นนะ่พระพุทธเจ้าอยู่ข้างบน จะเสด็จลงมาข้างล่างพวกนั้นยังมีเงียบออกไปอยู่ข้างนอกกำหนดพระไทยให้พระองค์กุรีมานมาพบเฮ้ยไม่ใช่พ ร, พ, รพระโมคคัลลานะมกพระโมคคัลลานะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงราชคฤห์ อ, อยู่ที่ไหนนะแะเ้าเสด็จก็ก็ปรากฏตัวทันทีเลยแล้วสั่งกำราพวกนี้ซะหน่อยโมคคัลลานะก็เข้าสมาบัติเขย่าปราสาทเลย ก็วิ่งกันก็จะไปเจง อ, อ, อันนี้คือคือคือมีมีวิธีควบคุมควบคุมทุกสิทธิ์เนี่ยวันการเ่พเจ้ามีทิปโสดเนี่ยน่ากลัวนะถ้าคุยนอกเรื่องเนี่ยวันท่านก็คุยเรื่องนี้มันก็เกิดมีประเด็นที่สามารถจะนำจิตของคนที่สนใจในเรื่องเนี้ เพราะว่าพระจุลปันถตกเป็นต้นแบบอยู่แล้วท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมารับสั่งถามเป็นการระรบเรื่องหรือตามปกติมันมีวัดปฏิบัติอย่นหนึ่งว่าเวลาพระนั่งคุยเขาเรียกว่าภุปฐานนศาลาทำนองคล้ายๆกับศาลาเป็นโรงฉันเป็นปัจจุบันคงแบ่นแบบวิหารนะคะารับาลาการ เ, เรียนเลย พระพรานั่งตั้งวงคุยกันแล้วก็คุยเรื่องธรรมะท่านไม่คุยนอกเรื่องก็จะปูอันสนะเอาไว้เผื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จก็ปูไว้งั้นนี่ยคือเสด็จหรือไม่เสด็จก็จถือว่าปูอันสนะไว้เพื่อพระพุทธเจ้าเสด็จวัพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ประรบเรื่องว่า ภิสษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกั น, นเรื่องอะไรภิสูกุาก็กลาบถูนว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าภิกษุตั้งหลายพิกษุในศาสนาของเราบรอความเพียรแล้วย่อมเป็นเจ้าของแห่งโลกุตตรธรรมได้ทีเดียวพูดง่ายๆนะว่าพุทธบริษัทพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา ถ้าสังงินอย่าคิดเกียรติา ม, มาไปด้วยมีภิกษุณีรูปหนึ่งท่านบวชตั้งแต่สาวนะเจริญอนาปานสติไม่เคยเป็นสมาธิสงบแนมะ้แต่บุบเดียวนะขณะเดียวไม่สงบเดี๋ยวคันนิกะสมาธิยังไม่เกิดยี่สิบ้าปีแต่ท่านก็เชื่อมันนะว่ามันต้องมีวันหนึ่งจะได้ ขนแมวตัวนี้พระพุทธเจ้าจะใช้และยกตัวอย่างต่างๆให้เห็นเช่นภิสุรูปหนึ่งนะคลายความเพียรไปถึงจุดหนึ่งก็คลายความเพียรพระเจ้าก็ต้องเล่านิทานในนิสัยของเธอในชาติก่อนให้ฟังเธอเกิดฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็ประสบความสมิ้นเจได้ ในที่นี้ได้รับสั่งว่าผู้มีปัญญาพึงทำเกาะเกาะในที่นี้คือที่พึ่งนะคือเป็นการพูดถึงรู ป, ปรธรรมหมายความว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นมหาสมุทรเป็นสงสารสาคอคือเป็นห่วงมหาสมุทรที่บางทีอุปมาอุปมาเหมือนกระต่าตาบอดที่ตกลงไปในทะเล แล้วกระสือกสะสนขึ้นมาโผล่มาถึงพื้นน้ําเนี่ยปัญหาว่ามีที่เกาะหรือไม่มีอะถ้าไม่มีที่เกาะก็ตกลงไปอีกผลคนที่เวียนว่าใจาเกิดในสังสารวัฏจะมีลักษณะอย่างไรคือถ้าไม่ได้ที่เกาะที่พึ่งแล้วมันก็หมุนวนอยู่ที่สังสารวัฏหมุนวนอยู่ในหมาสมบดเซี่ยวสงสารสาครวันก็ ทรงแสดงว่าผู้มีปัญญาต้องมองเห็นโทษคือคำว่าภิสษุนนี่แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารวัตรคือต้องมองเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ให้ทำเกาะที่ห่วงน้ำในท่วมทับไม่ได้ทีนี้เมื่อเกิดประเด็นนะฮะเกิดประเด็นว่า ธรรมะเกาะในที่นี้คืออรหัตผลนะเพราะอย่างอื่นในหวงน้ำท่วมทับได้หมายความว่ายังต้องหมุนอยู่ในสังสารวัติแม้แต่พระอนาคามีนะยังต้องเกิดในสุทธาวาสแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นพระจุลปฐกุตซึ่งท่านได้เกาะแล้วนะบรรลุอรหัตผลแล้วเวลาทำมัเทเธอนาตรงนี้เขาเรียกว่ามีพระอรหัสตเป็นยอด แล้วก็เน้นไปที่กลุ่มภิกษุเ่าเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะภิกษุก็มีประชาชนด้วยแล้วก็ถือว่าพระอหันต์ เ, เป็นที่พึ่งพำนักของตนในสาครคือสงสารอันลึกอันลึกยิ่งอันลึกมากๆแั้วจึงพบในแนวยุ่งงี้เยอยเช่นเช่นเรียกว่าโอฆเนี่ยห้วงน้ำคือกิเลส เรียกกิเลสคือกามคือพบคือทิิคือวิชาเนี่ยเป็นหพวน้ำนะฮะเป็นห้วน้นะะําแต่บางครั้งบางคราวก็อุปมาอุปมาถึงภัยในการปฏิบัติธรรมะของคนเนี่ยนะจริงๆมันก็เป็นการเขาโลกปลดหลงนั่นแหละแต่ส่งแสดงภัย อ, อย่างหนึ่งก็เหมือนกับคลื่ น, นะ ใน แ, แก่โทสะกระทบกระทั่งอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้พูดจาว่ากล่าวตักเตือนอะไรกันไม่ได้ภัยอย่างหนึ่งคือพวกกรารมคุณมันมีลักษณะเหมือนกับน้ำวนคือมันหมุนคนเราตกไปในกามคุณเอาตัวรอดยากเันกรรมจึงเป็นบ่วงคล้องใจสัตว์โลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะแต่ตราบใดที่ยังเป็นโลกอยู่เนี่ยจะถูกบ่วงกามคุณคล้องไ้ บางทีมันติดรูปนิดเดียวพระเจ้าเคยเล่าถึงพระองค์เองว่ามีประเทศหนึ่งที่เป็นกุรธานบัณฑิตเนี่ยติดอยู่ที่จอบเพี้ยนอันหนึ่งกับผ้าหนุ่งจะเป็นคารวาสแล้วกับพันุ์พืชเข้าฟางกับลูกเดือยนะติดอยู่ต้องบวช ต, ต้องสึกกันเจ็ดครั้งอันนี้ที่จริงมันก็เป็นกรรมคุณอย่างนี้นพู้นั้นแหะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกรรมคุณ ันแต่ละอย่างเนี่ยก็จะทำให้ติดแล้วก็เพราอนคนที่จะพ้นได้จริงๆเนี่ยก็คือพระหรหันแต่ทีนี้ทำยังไงจะพ้นได้ก็ต้องถือว่าเป็นปริยายเทศนานะคือจะครอบคลุมไว้ทั้งหมดจะครอบคลุมอยู่ในอริยมยรรคนี่แหละไม่ต้องไปดูหรอกคือแม้แต่รับสั่งถึงข้อเดียว แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันต้องเข้าอริยมรรคต้องเข้าใจทิขาทั้งนั้นวันเฉพาะในที่นี้สงสายกันว่าหนึ่งก็คืออุทธานะแปล ว, ว่าความหมั่นขยันมีความหมั่นขยันมีความเพียรเป็นเหตลุกขึ้นทำการงานไม่เห็นแก่หลับแก่นอน ไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจเขาครอบงำเป็นการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องนะฮะตรงนี้ใช้ใช้ในลักษณะเป็นพุทธาเนนะปมามเดนะนะด้วยความด้วยความหมั่นขยันเป็นความเพียรที่ปลุกตัวเองขึ้นมาทำงานและประการต่อไปก็คือด้วยความไม่ประมาท นีครอบจั ก, กรวาล น, นะความไม่ประมาณคือสมาสตินะฮะเราเห็นว่าความมันขยานก็นคือสมมาปยัมะทำไมไม่พูดสีนะสีพูดแล้วคือมีแล้วผู้ฟังในขณะนั้นเขาก็มีสีอยู่แล้วเลยไม่ต้องพูดเรื่องศีเรายึงพบธรรมเทศนาในแนวเนี้ยมีเยอะนะฮะมีเยอะเช่นเช่นสมมติว่าโพวกชงเกตกันนี่เราเจะเห็นว่ า, มม า, า, าไม่มีศีอินทรีห้าพละห้าเนี่ยไม่มีศีแจะอิทิบาทสีนี่ไม่มีศี คือสีเนี่ยมันเป็นภาคพื้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในโปรเ ป, ร ะ, ประเกียธรรมสามสิเจ็ดที่พูดสีนี่มีชุดเดียวคืออะริมักดวงแปดประการนอกนั้นไม่ไม่มีเลยแต่ว่าทั้งหมดก็คืออะริมักดงแปดประการความไม่ประมาทเนี่ยตามปกติมนุษย์เราก็ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรค แต่ว่าในที่นี้มันจะเน้นไปที่ความไม่ประมาทในการระมัดระวังรักษาจิตคือจิตเราที่มีปัญหาที่ถือว่าประมาทมันจะมีอยู่ 3, สามสี่ลักษณะคือกำนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาให้เราสังเกตว่าภาษาอาจจะเปลี่ยนไปแล้กำนัดก็คือโลภะหลักะขัดเคืองก็คือโทสะรุ่มหลงก็คือโมหะ มัวเมาก็คือประมาทประมาทก็คือขาดสติวันถึงจุดหนึ่งเี่จะรับสั่งสอนถึงความไม่ประมาทชุดชุดที่ปฏิบัติยากมากเป็นชุดที่มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็หมายความไม่ประมาทอย่างต่อเนื่องจะเรียกว่าอัปมาดาวิหาริโนคือมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทระวังจิตไม่ให้กหนัด หรือไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือความโลภนะก็คล้ายๆเนี่คยคล้ายๆตัวอย่างที่ท่านประธานองคมนตรีท่านพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็แฝงเรื่องการไม่โลภนะการไม่โลภเอาไว้แล้วก็ไม่ทำอะไรไปตามหน้ากิเลสก็คือโลภนั่นแหละนะฮะ เรอเห็นว่าที่จริงเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวสันโดษเป็นแนวสันโดษก็ยินดีตามมีตามได้หมายความว่าไม่ใช่ว่ายอมจนจำนวนอยู่กับที่นะฮะแต่ว่าอย่าไปตามใจโลกจนถึงก็ขอรับชั้นช่อชนหลอกกลวงตัดไม้ทําลายป่าลางผาลสัตว์สารพัด ท, ที่ทําอยู่เวเนี่ยสีหน้าก็ยังไม่เหลือแล้ว ที่หน้าข้อแรกเนี่ยยังไม่เหลือแล้วนี่คือปัญหาเพรา ะ, ะเราจะเรียกว่าโลภะเรียกวกิเลสก็ช่างเลยก็คือกิเลสนั่นแหละ อ, อ, อันนี้ก็มันก็อยู่ที่ที่ที่ความไม่ประมาทอีกระดับหนึ่งคือให้ร่าง ก, กายทุจริตกายวาจาใจที่ทุจริตประพฤติกายวาจาใจที่สุจริตเราก็ลาก้าความมีผิดทำความมีได้ถูกต้อง นั้นก็สามารถที่จะดำเนินไปบนเส้นทางของเศรษฐกิจพอเพียงได้เพราะปัญหาปัญหาที่มาเป็นปัญหาคือปัญหาว่าโลกล่วงไปถึงสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเดิมไม่มีรัฐบาลไหนที่ไม่มีการพูดถึงเรื่องคอรัปชันริงเทศไม่รู้แต่ก็พูดกันตลอดเรื่องคอรัปชันในแวดแวดวงราชการ แต่บางทีก็พูดอะไรเกินไปอนะฮะคอร์รัปชันเป็นล้านล้านล้านมากไปพูดมากไปอย่าพูดได้มากว่ามีคอร์รัปชันจริงมันกินตามน้ำไม่กินทนน้ำเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเป็นล้านล้า น, านพูดตั้งสองสางล้างนีๆสงสามครั้งก็เกินไปอนะงเงินที่ไหนมาคอร์รัปชันมากมายขนาดนั้น คือปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาเรื่องความประมาทในการไม่ละทุจริตหรือไม่ประพฤติทุจริตก็สรุปว่าเป็นความเห็นผิดนะมาจากความคิดทีนี้ก็พระอาจารย์อธิบายที่จริงก็ไม่ต้องอธิบายความไม่ประมาทกับการขาดสตินะ่ะอันเดียวกันความไม่ประมาทก็คือการอยู่ปราศจากสติแล้วก็ ด้วยความระมัดระวังหมายความมาอยู่ในศีลนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในศีลด้วยคือเน้นที่ความระมัดระวังอย่าลืมมาระดับระมัดระวังเนี่ยบางทีมันเป็นเป็นระดับปัญญาก็มีเช่นญาณสังวรอย่างเนี้ยอย่างอริญาณสังวรหรือว่าขันติสังวร อ, อะไรเนี่ยมันเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งเพราะงั้น จับตัวฏิสุทธิศีลเนี่ยเป็นการพูดกับพร ะ, พระนะพูดกับพระก็หมายความว่ารักษาศีลตามพระปาฏิโมกข์แล้วก็อินทรีย์สองวรแล้วก็เลี้นชีพในทางที่บริสุทธิ์แล้วก็พิจารณาปัจเจศีอย่าเป็นธาตุอย่าเป็นธาตุปัจเจศีแล้วก็ฝึกอินทรีย์นะฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกอินทรีย์ เนื่องเดียวกันกับพัฒนาอินทรีย์คือสตาวิริยติติสมาธิปัญญาแล้วก็รับสั่งว่าพึงทําเกาะที่ห่วงน้ําท่วมทับไม่ได้ห้ำในที่นี้คือกิเลสนะฮะคือกิเลสสี่ประการเนี่ยที่ว่าเมกี้เนี่ยเขาเรียกโอคะโอคะตัวเนี้ยบางทีเราอาจจะไปเจอว่าโยคะก็มีนะขันทะก็มีอาสวะก็มีก็ชื่อกิเลสสา ก็ที่จริงโลกโกลงนั่นแหละจะไปได้อีกชื่อหนึ่งเรียกในฐานะที่เป็นห่วงน้ําซึ่งมีลักษณะพัดผันใจของมนุษย์ไปก็คือกามคือภพคือจิฐิคืออวิชชาก็รวมเป็นีอย่างถ้าเรียกโอคะท่านเรียกว่ากามโอคะกามโมคะพวคะทิโุคะอวิโสคะจะเรียกกันะถะเขาเรียกว่ากามกาันถะเพราะวะกากันถะทิฐิกันถะเพราะวากันถะทิถิกันถะอสว ก, กันถะก็แล้แต่จะเรียก ก็อวิชากันถานะอวิชากันถะบางทีก็เรียกโยค่าก็มีนะเรียกเยอะคือสรุปกิเลสแล้วพอพูดกิเลสแล้วนึกถึงโรกกดหลงไวนะ้เนี่ยมันไม่อื่นไปจากโรกกวดหลงหรอกรากง่าวใจมันก็อยู่ที่อวิชาเพราะงั้นคนที่ทำได้อย่างนี้พระยุรปันถกก็เป็นต้นแบบคนฟังในคราวนั้นท่านบอกไว้ว่า ในเวลาจบคาถาในชนเป็นมากได้เป็นพระยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นคือบรรลุมผลกันไปหลังการที่พระเจ้าเสด็จเนี่ยพระเจ้ารู้มีคนที่จะบรรลุมรรคผลเลยก็ต้องเสด็จนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เชื่อมโยงมาจากพระจุลบันธกแต่ที่จริงมัอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ไปคือเราอย่าลืมพระหมหาปันธกคือที่เราทิ้งพระหมหาปันถกไว้ วันหลังก็จะมาพูดเรื่องท่านอีกสักสักครั้งหนึ่งเรื่อังทั้งทลายเสียงธรรมจากมาวิษลัยศีวทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไพยบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยถูกกันสวัสดี